จะเจริญพรทุกท่านหลวงพ่อไม่ได้มาเทศที่นี่ครึ่งปีแล้วหกเดือนธรรมดาจะมาสามเดือนครั้งหนึ่งคราวก่อนมีเรื่องการเมืองมีคนเ้าเป็นห่วงว่าคนมาชุมนุมมากๆเนี่ยเดี๋ยวพวกนักกีฬาปิงปองอะไรมากว้างเอา <c oughs> <c oughs> เราจะลำบากใน <c oughs> บ้านเมืองมัน ไม่ค่อยมีเหตุมีผลเราไปแก้คนอื่นให้แก้ไม่ตกหรอกเมื่อสัก30ปสกว่าปีก่อนนะครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อว่าเมืองไทยต่อไปมันไม่น่าอยู่นะว่าช่วงโน้นสัตว์นรกสัตว์จากนรกเนี่ยขึ้นมาเยอะออย่างเงี้ยต่อไปมันจะเบียดเปลี่ยนกันรุนแรงคนมีบุญวาสนาก็ต้องรีบภาวนาเอาตัวรอดไป ไม่มีบุญนะเราก็ต้องอยู่กับเขานี่วิธีที่จะเอาตัวรอดไม่ใช่ต้องรอว่าตายแล้วไปเกิดใหม่หรอกเรารอดได้แต่แต่ทุกวันนี้แหละในท่ามกลางความวุ่นวายสับสนท่ามกลางความเลวร้อนเราสามารถสงบร่มเย็นของเราอยู่ได้อยู่ที่การฝึกฝนใจของเรานี่เองเราไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้เรามันเบีย้ยตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่า น, นั้นเองไม่ได้มีที่พลอะไรนะแต่เราเปลี่ยนใจของเราได้คนอื่นมาเปลี่ยนให้เราก็ไม่ได้ด้วยคนมีอำนาจมากๆที่มาสั่งให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สั่งเราไม่ได้ใจของเรานะั้นน่ยมันเป็นอิสระที่เราจะพัฒนาตัวของเราได้ไม่มีใครมีอำนาจเหนะื สิ่งที่มีอำนาจเหนือใจเราก็มีแต่ตันหาเนทะ่านั้นความอยากกิเลสทั้งหลายนะั่นแหะมีอำนาจมาตลอดเวลาหลายพวหลายชาตนะิตันหามันก็บงการให้พวกเราทำอย่างนั้นให้พวกเราทำอย่างนี้ให้พวกเราไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้สั่งเราตลอดเวลานี่คนทั่วๆไปเมื่อตกเป็นทาสของตันหาถูกตันหาสั่งโพราะลา ก, กลาไปเรื่อยๆได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนนะตัวเองก็เป็นทุกข์ สุดท้ายก็ไปกระทบกระทั่งไปเบียนเบียนคนอื่นเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกกระทบกันไปเรื่อยๆหาที่จะสิ้นสุดไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่เราจะถอดถอนตัญหาออกจากใจของเราไม่มีคำสอนใดที่จะเหมือนของท่านคนทั่วๆไปเวลามีตัญหามีความอยากเกิดขึ้นเขาจะแก้ด้วยการตามใจมัน อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากมีแฟนก็มีอยากทำอะไรนะก็พยายามทำเข้าไปพอตอบสนองมันได้แล้วก็สบายใจมีความสุขความสบายขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวเจ้านายคือตันหามันก็จะสั่งงานอันใหม่ ท, ทันทีไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนี้มันเป็นเจ้านายที่ฉลาดนะมันถึงครองโลกได้มันฉลาดในแง่ที่ว่าถ้าเราตามใจมันมันจะให้รางวัลเรานิดหน่อย คล้ายๆเราเป็นหมาเป็นอะไรเงี้ยเขาเจ้านายสั่งให้ยืนสองขาเรายืนได้นะ้ําก็โยนเศษเนื้อให้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมันก็สั่งใหม่ให้ทําอย่างโน้นอย่างนี้อีกมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดมันรู้จักให้รางวัลแล้วถ้าเราไม่ทําตามที่มันสั่งนะมันจะลงโทษอย่างเวลามีความอยากเกิดขึ้นแล้วไม่ได้อย่างที่อยากนะเราจะรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยเนี่ยมันเป็นเจ้านายที่เรามองไม่เห็นตัวเราไม่รู้ตัวว่าเป็นทาต นั้นเราโอกาสที่เราจะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากการเป็นทาตของตัณหาเ น, นี่ยแทบไม่มีเลยเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเป็นทาตเหมือนเราไม่สบายนะเป็นโรคเป็นมะเร็งแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งซ่อนอยู่ไม่มีทางรักษาเลยเพราะไม่ได้คิดจะรักษาเราเป็นทาตของตัณหาเราไม่เคยคิดจะสู้ไม่เคยคิดจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเราไม่รู้ว่าเราเป็นทาตุคนทั่วๆไปก็จะตามใจมัน มันก็จะให้รางวัลให้คุณให้โทษไปด้วยก็ปกครองโดยที่ไม่รู้ว่ากําลังปกครองอยู่มันสุดยอดของการปกครองเลยนี่พวกนักปราชญ์ทั้งหลายนะเขาก็เห็นว่าโอ้การตามใจกิเลสตามใจตัณหาตลอดเวลานะมันไม่พ้นทุกข์หรอกหมดอยากเรื่องนี้มันก็อยากเรื่องโน้นสลับกันไปเรื่อยมัหมุนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวอยากเรื่องนี้เดี๋ยวอยากเรื่องโน้นไปเรื่อย เขาก็คิดวิธีที่จะพ้นจากตัณหานะไม่ได้วิธีตามใจมันบาคนก็คิดวิธีหักหันกับมันนะอยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนนะอยากสุกอยากสบายนะไปนอนบนหนามนอนบนตะปูทําตัวเองให้ลําบากทรมานกายทรมานใจนี่ก็เป็นวิธีที่เขาพยายามจะขจัดตัณหาออกจากใจนะคนทั่วไปขจัดตัณหาออกจากใจด้วยการตามใจตัณหานะ ก็สุดต่งไปข้างตามสุขาริการุโยกตามกิเลสไปเรื่อยๆแล้วสบายใจพวกนักปราดอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าต้องสู้ของมันก็ใช้วิธีปฏิเสธต่อต้านบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจจิตก็สุดต่งมาข้างที่เรียกว่าอัตตกิลมัฐานุโยกการทำตัวเองให้ลำบากพระพุทธเจ้ามีปริชาญาณมากนะสติปัญญาท่านสูงท่านได้ทดลอง อยู่กับโลกท่านก็อยู่มาเต็มที่เป็นเจ้าชายอยู่ตั้ง29ปีมีความสุขสบายอย่างโลกโลกท่านก็เห็นว่ามันไม่ได้สาระอะไรชีวิตไม่ได้มีอิสระเลยเหมือนนกถูกขังเอาไว้ในกรงถึงเวลาเขาก็ให้อาหารหนึ่งก็ออกมาบวชไปนั่งสมาธิอย่างฤือีอยู่พักหนึ่งเห็นว่ามันไม่ได้ผลก็ออกมาทรมานตัวเองมาสุดตรงในข้างอัตตะกิลมะานุโยก ทรมานอยู่หลายปีนะห้าหกปีท่านก็ค่อยเห็นไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถเอาชนะปัญหาได้จริงๆท่านก็เดินเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางนี้ไม่ตามใจกิเลสแล้วก็ไม่ฝืนบังคับกายบังคับใจกิเลสมันอยู่ที่จิตที่ใจก็จริงนะแต่ไปบังคับจิตใจว่าไม่ให้มีกิเลสนั้นทาไม่ได้ ท่านค้นพบทางสายกลางที่ไม่ตกไปสู่ความสุดโต่งสองด้านพวกเราลูกหลานพระพุทธเจ้าต้องเรียนให้ได้ทางสายกลางเข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ววันหนึ่งเราทําลายตัณหาได้เราจะเป็นอิสระที่แท้จริงใครจะเป็นอะไรโลกจะแตกต่อหน้าต่อ ต, อตาใจเราไม่ทุกหรอกร่างกายเราเองจะแตกสลายไปเราก็ไม่ทุกนะอะไรเกิดขึ้นคนที่เรารักจะตายไปเราก็ไม่ทุก ความทุกมจะเข้ามาสู่ใจไม่ได้เลยถ้าเราขจัดตัณหาได้เด็ดขาดด้วยทางสายกลางนี้ทางสายกลางเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ส่วนมากก็พูดง่ายๆว่าไม่ตามใจกิเลสนะแล้วก็อย่าทําตัวเองให้ลําบากนะรายละเอียดมันมนะียากมากเลยที่จิตดวงใดดวงหนึ่งนะหรือคนใดคนหนึ่งนะจะก้าวเข้าสู่ทางสายกลาง ทางสายกลางเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญมากเลยในธรรมจักรกับปวัฒนสูตรธรรมเทศนาการแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงเริ่มต้นก็เริ่มจากการไม่ให้สุดตรงสองข้างนั่นเองก็เข้าสู่ทางสายกลางแล้วก็เจริญอริยมรรตต่อไปดันั้นในธรรมจักเนี่ยจะเริ่มต้นจากว่าสิ่งที่บรรพชิตคือผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรซ่องเสพหมายถึงไม่ควรเข้าไปติดพันยุ่งวุ่นวายอยู่กับมันมีสองอย่าง อันหนึ่งคือการสุขาริการุโยกนะการหลงเพลินไปในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสเรียกว่าการมาคุณอารมณ์เป็นเะรื่องของกำหนใจเราเข้าไปติดอยู่แล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปตามใจกิเลสไปเรื่อยนะเดี๋ยวอยากเห็นรูปเดี๋ยวอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสนะหรืออยากคิดนึกนะคิดนึกถึงรูปคิดนึกถึงเสียงถึงกลิน่นถึงรส ถ, ถึงสัมผัสนะ ใจอย่างนี้เรียกว่าหลงในกามเหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่สุดโต่งนะเราจะค่อยๆเห็นว่าจิตที่ไหลออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสนั้นมันอยากนะอยากมีความสุขอยากพ้นจากความทุกข์ก็วิ่งออกข้างนอกไปเราต้องไม่ให้จิตออกข้างนอกนะย้อนเข้ามาดูกายดูใจตัวเองถ้าเราหลงออกข้างนอกเราจะลืมตัวเอง ในขณะที่ตาเรามองเห็นรูปนะเราเห็นอะไรเราเห็นรูปในขณะนั้นมีกายลืมกายมีใจลืมใจในขณะที่หูเราได้ยินเสียงจิตเราหลงไปกับเสียงเนะี่ยหลงไปกับกามจิตหลงไปกับเสียงเรามีกายเราลืมกายมีใจก็ลืมใจอีกนะจิตหลงไปในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดเนะี่ยเราก็หลงออกข้างนอกไปอีกนะเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจหลงอยู่ในกาม หลงกับการมคุณอารมณ์ทั้งหลายเราไม่สามารถจะย้อนเข้ามาดูกายดูใจตัวเองได้ในขณะที่เราหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดงั้นหน้าที่ของเรานะงานที่เราจะต้องค่อยๆฝึกตัวเองเข้าสู่ทางสายกลางก็คืออย่าหลงกับของข้างนอกหลวงปู่ดูลสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะอย่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่ว่าห้ามดูห้ามฟังนะ แค่ว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังนะมีใจก็คิดแต่อย่าไปหลงนะให้มีสติกำกับจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตาเมาเห็นรูปเราไม่ได้ตาบอดเราก็ต้องเห็นรูปแต่ถ้าเห็นรูปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันนะอย่างนี้ถือว่าเราไม่หลงแล้วรูปมาหลอกให้เราหลงไม่ได้นะเพราะเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตใจของเราอยู่ เราได้ยินเสียงเราก็ไม่หลงไปกับเสียงนะแต่ว่าพอได้ยินเสียงแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลมีสติรู้ทั น, นจิตก็จะไม่หลงไปนกับเสียงอยู่ที่การมีสติค um ุ้มครองรักษาจิตนั่นเอง <S <S ถ้าเราไม่มีสติค um ุ้มครองรักษาจิตจิตจะหลงไปหารูปหาเสียงหากลิน่นหารสหาสัมผัสหาเรื่องราวที่คิดให้สนุกสนานคิดให้เพลิดเพลินพอใจอันนั้นหลงเอาไปหากาม ในขณะเดียวกันนอกจากเราจะต้องไม่หลงออกไปข้างนอกแล้วนะเราต้องมาฝึกฝนใจของเรานะให้สามารถรู้สภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ไม่ใช่ไปดัดแปลงสภาวะคนทั่วๆไปมันจะลืมตัวเองตลอดเวลานะหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงกับเรื่องราวที่คิดแต่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนักปฏิบัติเกือบร้อยรอยเนะี่ยมันจะสุดโตม่ข้างทรมานตัวเอง เริ่มต้นด้วยการบังคับกายบังคับใจนะจะเริ่มมาอย่างนี้จะมุ่งไปที่การบังคับกายบังคับใจอย่างพวกเราขณะนี้นะตั้งใจฟังหลวงพ่อเทศอยู่เนี้ยแล้วหลวงพ่อบอกว่าอ้าวพวกเราลองนั่งสมาธิดูลองนั่งสมาธิซิอ้าวทุกคนทําสมาธิลองดูสังเกตไหมหลายคนนะก็เริ่มขยับใช่ไหมจะนั่งสมาธิต้องวางฟอมต้องนั่งท่านี้นะถึงจะเรียกว่า ปฏิบัติทำถ้าถ้านั่งอย่างนี้ไม่ปฏิบัติเนี่ยให้เดินจงกรมก็ต้องวางฟอร์มใช่ไหมต้องทําท่าทําทางเริ่มบังคับร่างกายพอบังคับร่างกายได้ที่เช่นขยับตัวได้ที่แล้วก็เริ่มบังคับใจทําใจให้คลึมคลืมซึมซึมทพอบังคับกายบังคับใจได้ที่ถือว่าปฏิบัติแล้วอันนี้สุดตรงไปข้างบังคับตัวเองนะสุดตรงไปเรียบร้อยแล้ว พวกเราหลายคนฟังหลวงพ่อพูดอันนี้มาสองสามปีแล้วนะเริ่มฉลาดเพราะเจ้าเล่ยนั่นแหละเขาหลวงพ่อบอกว่าเอ้าลองปฏิบัตินะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะภูมิใจเนะี่ยไม่ลหลงกลหลวงพ่อนะเดี๋ยถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมเราได้ยินว่าให้ปฏิบัติเนะี่ยจะต้องขยับทุกคนอนะนะวางฟอมพอวางฟอร์มได้ที่ร่างกายเรียบร้อยเข้าที่แล้วก็จะวางฟอร์มทางใจทําใจกลุ่มๆลม การที่เราดัดแปลงกายดัดแปลงใจนี่แหละที่เรียกว่าอาตัตะกิลมัฏฐานโยกบังคับตัวเองถามว่าบังคับกายแล้วกายลำบากไหมลำบากเห็นไหมไปควบคุมใจไว้ใจลำบากไหมใจเคยเป็นอิสระเคลื่อนไหวไปมาเมืเ่อไปบังคับให้มันทื่ทอก็ลำบากนะทรมานกายทรมานใจทรมานกายทรมานใจมันไม่ดียังไงมันก็จะไม่สามารถเห็นกายอย่างที่กายเป็นไม่สามารถเห็นใจอย่างที่ใจเป็น มันเป็นกายที่ถูกดัดแปลงมันเป็นใจที่ถูกดัดแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะงั้นถ้าเราจะเข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยเวลาเราปฏิบัตินะเราอย่าให้หลงไปสุดโต่งสองข้างข้างแรกคือลืมตัวเองใจลอยไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรเงี้ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจต้องให้จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนือ้อรู้ตัวไปสบายๆนี่แหละแล้วก็อย่าให้มันมาหลงสุดโต่งข้างบังคับตัวเองนะ เอย่างเราคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บนะสมมติเรากําลังนั่งท่านี้อยู่นั่งนั่งอย่างนี้ก็ได้นะกาลังนั่งเล่นเล่นเพลินเพินนะเราเกิดนึกถึงการปฏิบัติขึ้นมาไม่ต้องปุ๊บอย่างนี้หรอกนะเนี่ยนั่งอยู่ท่านี้ยนะใจของเราก็ยังเป็นปกติอย่าไปดัดแปลงใจนะใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยรู้กายที่ธรรมดาอย่างนี้แหละนะรู้อย่างที่มันเป็นไปนะใจจะสงบ ท, งทันทีเลยนะใจจะสว่างขึ้นมา ท, าทันทีเลยเอยี่ยงพวกเราลองทดลองดูก็ได้นะ พวกเราลองยิ้มหวานๆก่อนเวลายิ้มสังเกตไหมเวลาเรายิ้มใจเราจะคลายออกเห็นไหมเนี่ยเราใช้ใจที่คลายแบบนี้นะไปเจริญปัญญานะอย่าเอาใจอย่างนี้ไปเจริญปัญญานะอย่างนี้นะใช้ไม่ได้หรือใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ใจธรรมดาเนี่ยขณะเนี้มีใจที่ธรรมดานะเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู ง่ายๆเลยนะขันมันจะแยกอย่างรวดเร็วเลยถ้าขันแยกได้นะจะขึ้นวิปัสสนาได้ขันไม่แยกไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอก น, นี่ขันจะแยกได้นะใจต้องไม่สุดโตรงสองข้างถ้าใจสุดโตรงไปข้างใดขันหนึ่งขันไม่แยกหรอกอี่ถ้าเราหลงไปห ล, ลงอะไรตอนอะไรไปเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องขันแยกเลยขันมีอยู่ยังไม่รู้ว่ามีเลยกายมีอยู่ก็ลืมไปแล้วความสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ลืมหมดนะจิตใจก็ลืมหมดเลย งั้ลืมตัวเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนะเลวร้ายที่สุดเลยการลืมตัวเองการบังคับตัวเองเนี่ยเลวร้ายอันดับสองนะบังคับกายให้นิ่งบังคับใจให้นิ่งมันผิดความจริงอย่างบางคนไปเข้าคอร์สนะทำมิปัสสนาอะไรเนี่ยไปดูท้องไปดูมือดูอะไรขยับมือนะวิเพ่งส่วนใหญ่ไปเพ่ ง, ง, พงดูท้องนะก็ไปจ้องอยู่ที่ท้องดูมือก็ไปจ้องอยู่ที่มือเดินจงกรมไปจ้องอยู่ที่เท้าจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะ แารที่เราไปจ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะใจมัจะนิ่งกว่าความเป็นจริงนะมันจะผิดธรรมชาติไปมันจะไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูงั้นเราต้องใช้ร่างกายธรรมดาของเราเนี่ยใช้ใจธรรมดานี่แหลนะแล้ว ร, รู้สึกไปนะรู้สึกไปด้วยใจที่สบายๆรู้สึกตัวนะรู้สึกก็เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจตอนนี้เราเห็นร่างกายหายใจไหมลองดูสิร่างกายมันหายใจอยู่แล้วนะไม่ใช่อา้าวทุกคนทําอานาปานาสติ นั่งได้ที่ก็หายใจนะถ้าไม่หายใจเข้าก่อนล้วก็ทำานาปานสติไม่ได้ <c oughs> จริงจริงมีสติตอนกาลังหายใจเข้าก็เห็นมันร่างกายหายใจเข้ามีสติตอนที่หายใจออก <c oughs> ก็เห็นร่างกายหายใจออกนะง่ายๆแค่นั้นนะเราไปทำของง่ายจนยากทำของที่สบายสบายให้มันเครียดขึ้นมานะอย่าภาวนาเราเครียดนะภาวนาต้องสบายสบายใช้ใจปกตินี่นะ พวกนักปฏิบัตินะ้ำจะมีจุดอ่อนนะอย่างพวกเราตอนเด็กๆใจของเราจะเปลี่ยนเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่เด็กไม่มีสติไม่มีตัวรู้ไม่มีการรู้ว่าจิตใจกําลังสุขกําลังทุกข์กำลังดีกาลังชั่วนะพวกเรานักปฏิบัตินะเรามีสติแต่เรามีใจที่ผิดธรรมชาติมีกายที่ผิดธรรมชาติมันอาภัพกันคนละด้าน ต่อไปนี้นะเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นดูมันสบายสบายไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกถ้าเมื่อไหร่เผลอไปก็สุดโตงไปข้างหลงตามกิเลสถ้าเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจก็สุดโตงไปข้างอัตตากิดมัฐานโยกทรมานตัวเองถ้าเรายังสุดโต่อยู่สองข้างใจก็ไม่เข้าสู่ทางสายกลางใจเข้าสู่ทางสายกลา ง, าา ง, าลางไม่ได้ขันไม่แยกถ้าขันไม่แยกก็จะไม่เห็นขันแสดงใจรัก ไม่เห็นขันแสดงใจรักก็คือไม่ได้ทําวิปัสนานะพราะวิปัสนาเนี่ยเห็นขันแสดงใจรักนะคําว่าขันขันก็จะตกใจนะภาษาไทยตรงกับคําว่าคําว่าส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกออกเป็น5ส่วนส่วนของร่างกายส่วนของรู ป, ปรธรรมส่วนของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนของความจําส่วนของความปรุงดีชั่วนะเช่นโลภโกรธห ล, ลงส่วนของความรับรู้คือจิตหรือวิญญาณนะ นะคำว่าขันก็คือคําส่วนนั่นเองไม่ต้องตกใจหรอกมันเป็นการมองตัวเองแบบแยกออกเป็นส่วนๆเวลาที่เราปฏิบัตินะเราจะ่มาแยกตัวเองเป็นส่วนๆคนทั่วๆไปเนี่ยมันจะรู้สึกขันทั้งหามารวมกันเป็นตัวเรานะเรียกคณะคณะขอละครังนอนหนูนะคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนคณะเนี่ยเป็นตัวที่ปิดบังไม่ให้เห็นอนัตตานะมองอนัตตาไม่ออกถ้าคณะแตก คนะอละครังนอ น, นูแตกสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แตกออกเป็นเป็นส่วนๆเรียแตกเป็นขันนะแต่เป็นส่วนๆลงไปจะพาบว่าแต่ละส่วนนะไม่มีเราไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วไม่มีอัตตาเหมือนมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งนะเราจับมาถอดเป็นชิ้นๆเ้าจะพบว่ารถยนต์หายไปลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันไม่ใช่รถยนตนะ์อะไรแต่ละอันแต่ละอันไม่ใช่รถยนต์ละรถยนต์หายไป เราจะมาดูกายดูใจของเรานะดูตัวเราตัวเราเนี่ยก็จับมันแยกเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าตัวเราไม่มีหรอกนะเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนะแต่จะแยกถันได้เนี่ยใจต้องเข้าสู่ทางสายกลางซะก่อนนะใจต้องเป็นกลางนะไม่หลงสุดโตง่งไปข้างตามกิเลสไม่หลงสุดโตง่งข้างบังคับตัวเองนะบังคับกายบังคับใจยากไหมสังเกตให้ดีนะคนทั่วๆไปที่ไม่เคยปฏิบัติเนี่ย จิตมีแบบเดียวนะคือหลงหลงหลงหลงหลงหลงหลงนี้ทั้งวันเลยนะหลงตลอดเผลอไปตลอดพวกนักปฏิบัตินะจะเผลอไปหลงไปแล้วก็รู้ว่าหลงนะแล้วก็จะเพ่งต่ออย่าบังคับต่อเป็นกามสุขาริการุโยคแล้วก็รู้สึกตัวในทางสายกลางแล้วก็ผลลุดไปสู่อัตตะกิลมัฐานโยกอย่างรวดเร็วเลยอย่างเวลาเราหัดใหม่ๆนี่เวลาเราใจลอยพอเรารู้ว่าใจลอยแล้วรู้สึกไหมเรารีบดึงมาจะแน่นๆนะบังคับ บังคับกายบังคับใจไว้แล้วอะไรเกิดขึ้นก็วความลําบากเกิดขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นบังคับไว้นะเหนื่อยเครียดหนักเนะนี่ยคนที่หัดภาวนาใหม่ๆนะเหลอไปนะแล้วก็รู้สึกพอรู้สึกได้ก็เพ่งไว้บังคับไว้ควบคุมไว้ก็เป็นการสุขาริการุโยคตามกิเลสไปแล้วก็รู้สึกตัวทางสายกลางแวบเดียวนะแล้วก็จะสุดตรงไปข้างบังคับตัวเองข้างอัตตาิีดมัทธานุโยค หัดให้มากนะแต่แรกๆมัเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละไม่ต้องตกใจเมื่อโอดจะบังคับไม่ได้แต่รู้ไปบ่อยๆต่อไปเรารู้ทันว่านี่บังคับอยู่นะค่อยๆคลายออกมันจะเหลือสองอันเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เหลือแค่นี้นะไม่มีไปบังคับตัวเองตามมานานๆไปนั้นจะเหลือแต่รู้อันเดียวนะไม่มีเผลอจะเหลือแต่รู้รู้รู้ไปเรื่อยนะใจก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาค่อยๆฝึกอยู่ๆมันไม่เป็นหรอก ต้องค่อยๆทำค่อยๆหัดปฏิบัติไปคิดไหมคิดคิดได้ไหมได้จิตมีธรรมชาติคิดไม่ห้ามแต่คิดแล้วไม่เผลอไปคิดแล้วรู้ว่ามันคิดบางคนก็คิดพุทโธนะกลัวว่าจะไปคิดเรื่องอื่นก็คิดพุทโธพุทโธก็คิดเหมือนกันนะคิดพุทโธก็คิดนะให้คิดคำว่าพุทโธอย่าแม้ใจคิดตลอดเวลา นี่คนทั่วๆไปพะใจมันไปคิดนะแล้วมันไม่มีสติมันเผลอไปลืมตัวเองไปเพก็เป็นการสุขาริการุโยคนักปฏิบัติกลัวใจจะไหลไปคิดก็จ้องไว้พุทโธพุทโธบังคับไว้นะไม่ให้หนีไปคิดบังคับควบคุมไว้ก็สุดโตงมาข้างอัตตะกิลมัฐานุโยคพยายามฝึกนะฝึกใจเข้าสู่ทางสายกลางให้ใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลวงพ่อนะเมื่อก่อนนะตะเวนไป ดูสำนักต่างๆนะไปเที่ยวมาเยอะเลยสมัยยังเป็นคารวาสอยู่แต่เดิมเรียนจากหลวงพูดูลนก่อนเรียนจากหลวงพุดูลยังเข้าใจหลักของการปฏิบัติแม่นยำแล้วนะออกไปดูว่านักปฏิบัติต่างๆเข้าภาวนากันแบบไหนก็พบความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะว่านักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยสุดโต่งไปข้างอาตัตตากิลมฐานโยกข้างบังคับตัวเองนะอย่างบางสำนักครูบาอาจารย์ดีนะ หลวงพระเทียนท่านขยับเนี่ยจิต ท, ท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะลูกศิษย์คารวาสไปเรียนด้วยไปเพ่งเพ่งใส่มือบ้างนะะเพ่งใส่มือเป็นอัตตะกิลมฐานโยกบังคับตัวเองลืมตัวเองไปเป็นกามสุขาริการโยคก็มีสองพวกพวกหนึ่งหนีไปคิดนั่นนี่พวกหนึ่งเคร่งเครียดบังคับไว้นะที่จะเข้าทางสายกลางจริงๆนะมีน้อยมากเลยนะทุกๆ ท, ที่แหละไม่ค่อยมีหรอกนะส่วนใหญ่ก็จะบังคับตัวเอง มันก็เลยไม่แปลกนะว่ามรรคผลไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเพราะมันไม่ได้เจริญวิปัสนาจริงคือเจริญวิปัสนาได้ขันต้องแยกขันจะแยกได้จิตต้องเข้าสู่ทางสายกลางจิตต้อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่สุดตรงไปข้างตามกิเลสลืมกายลืมใจไม่บังคับกายบังคับใจนะยากมากนะอย่างตอนนี้หลวงพ่อคําเขียนรู้จักไหมพรอคําเขียนพระดีนะดีที่สุดองค์หนึ่งเลย จิตใจเบิกบานมีความสุขอยู่ได้ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เจ็บป่วยนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแยม้แยมแจ่มใสมีความสุขเนี่ยจิต ท, ที่ฝึกดีแล้วมีความสุขนะกระทั่งร่างกายย่าแย่ละท่านก็มีความสุขท่านยังเขียนเอาไว้นะว่าไม่ค่อยมีใครทำวิปัสสนาหรอกนะไม่ค่อยมีคนทำวิปัสสนาส่วนมากไปทำได้แต่สมถะขยับมือแล้วไปเพ่งมือเป็นสมถะนะ อาตายิ่งธรรฐานิโยคบังคับตัวเองนะเราต้องพยายามฝึกให้ใจหลุดออกมาสู่ทางสายกลางไม่หลงไปเผลอไปรู้สึกตัวนะรู้สึกสบายๆไม่บังคับกายไม่บังคับใจตอนนี้หลายคนพัดรู้สึกไหมร่างกายเป็นพัดใจของเราเป็นคนดูไม่ใช่พัทอย่างนี้นะอย่างนี้หลงตามกิเลสหรือพัทแล้วก็ นะเครื่อนนี่อัตตะกิลมัฐานนุโยกนะไปสังเกตให้เดียวใจเราจะพลิกอย่างนี้ทั้งวันเลยนะเดีย๋ยวพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาไอทางสายกลางมีแวบเดียวแหละไม่ค่อยอยู่นานหรอกแต่ค่อยๆเห็นค่อยๆฝึกไปนะแล้วอย่าจงใจให้มันเป็นทางสายกลางถ้าจงใจเป็นตัวทางสายกลางนะใจจะผิดธรรมชาติยิงจะรู้ตัวอยู่นะแต่ตัวรู้เนี่ยจะทื่ อ, อเดี๋ยวพ่อทาให้ดู จะเป็นอย่างนี้นะจะทื่อๆเนี่ยใจมันจะทื่อๆนะถามว่ารู้ไหมรู้ตลอดเลยนะ <c oughs> คราวหนึ่งนะหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกรู้สึกตัวไว้อย่าเผลอสะบัดหน้าใส่หลวงพ่อ <c oughs> ดิฉันไม่เคยเผลอเลยเนะี่ยเพราะที่ฉันรู้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลารู้อย่างนี้ผิดนะ มันคือการบังคับตัวเองไวนะ้แล้วมันจะเกิดอะไรไม่มีอะไรให้ดูเลยทุกอย่างนิ่งทุกอย่างจะว่างๆไปหมดเลยจะไปติดว่างนะพวกนั้นปฏิบัติจํานวนมากเลยอ่ะก็จะว่างจะว่างนะพวกนี้ไม่ปฏิบัติหรอกตรงที่ว่างแล้วเนี่ยมันเป็นปลายทางเป็นผลนะต้องทําต้นทางนะอย่างบางคนอ้างกระทั่งหลวงปู่ดูลนะบอกหลวงปู่ดูลสอนนะว่าว่างสว่างบริสุทธิ์ หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่คือมีพระไปถามหลวงปู่ดูลว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะที่ท่านจบกิจแล้วเนี่ยท่านมีเครื่องอยู่ไม่เหมือนกันบางองค์อยู่กับเมตตานะมีความเมตตามากนะคนไปหามากคนรักบางคนอยู่กับอัปปมัญญาปรมวิหารเลยนะกว้างขวางมากทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเคารพรักมากถามว่าหลวงปู่ดูลอยู่กับอะไร ท่าเราอยู่กัรู้พระท่านก็งงท่านก็ถามว่ารู้เป็นยังไงสภาวะรู้ที่หลวงปู่ดูลว่าเนี่ยหลวงปู่ดูลก็บอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่บางคนพอได้ยินตรงนี้นะก็พยายามทําให้ใจว่างๆหรืออ่านหนังสือท่านพุทธทาสนะทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างมันว่างไม่ได้หรอกมันมีกิเลสนะ ก็ได้แต่พูดหรอกมันทำไม่ได้จริงนะต้องทําต้นทางนะตัวว่างสว่างบริสุทธิ์อะไรเนี่ยเป็นเป็นผลของการปฏิบัตินะมันไม่ใช่เหตุทําเหตุนะก็ต้องถ้าอย่างของหลวงปู่ดูนลานแรกเลยอย่าส่งจิตออกนอกจิตออกนอกก็เป็นการสุขาริการุโยคนะไลออกไปนะแล้วก็ให้ทํายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วยปัญญาเนละ เห็นจิตแสดงใจรักษไปเรื่อยๆไม่ใช่รักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะเวลาหลวงปู่ดูลสอนดูจิตเนี่ยท่านไม่บอกให้ดูจิตให้ว่างอย่าไปประคองรักษาจิตไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยนะแต่สอนบอกว่าจงทํายานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปตาเรามองเห็นรูปตาเราบังคับรูปไหมเราเลือกไหมว่าจะเห็นรูปอะไรลืมตาขึ้นมามันก็เห็นแล้วนะรูปดีบ้างรูปไม่ดีบ้างเนี่ยเราเห็นจิตก็ปล่อยให้จิตมันทํางานนี่แหละก็เห็น่จิตมันดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้าง นะหมุนไปเรื่อยนะก็เกิดแล้วก็ดับไปดับไปภาวนาอย่างนี้นะก็จะเห็นทุกอย่างเกิดดับแต่ถ้าเราลืมขี้เกียจ ด, ดูลืมดูก็จะสุดโต่งไปข้างกามสุขาริการุโยคถ้าเราพยายามบังคับจิตให้ว่างควบคุมมันก็สุดโต่งไปข้างอัตตะกิรมัฐานิโยกแทรกแซงมันให้มันผิดธรรมชาติใช้ใจธรรมดาใช้กายธรรมดาของคนธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดแล้วนะ พุทธเจ้าถึงเลือกตรัสรู้ในภูมิมนุษย์นะว่าเป็นภูมิที่เหมาะกับการภาวนาที่สุดเลยเนี่ยพวกเราก็รู้สึกตัวไว้ขั้นแรกอย่าส่งกิรกรรนอกอย่าลืมตัวเองอคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆคอรู้สึกกายรู้สึกใจได้นะถ้าจะถนัดดูกายก็เห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูกายมันนั่งมันยืนมันเดินมันนอนใจเราเป็นคนดูดูเรื่อยๆไปมันจะเห็นว่ากายกับใจมันคนละนกันนะสุดท้ายไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอก หรือถ้าถนัดดูจิตดูใจก็ใช้คำาองหลวงปูดูลว่าจงทํายานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปยานแปลว่าปัญญาเพราะฉะนั้นไปเห็นจิตนี่เห็นด้วยปัญญาปัญญาไปเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ท่านไม่ได้สอนว่าให้ทําสติเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะท่นบอกให้ทํายานเห็นจิตถ้าทําสติเห็นจิตที่สติเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะเห็นตัวจิตแต่ถ้าทํายานเห็นจิตก็คือเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ พวกเรารู้สึกไหมจิตของเราเปลี่ยนทั้งวันเดี๋ไม่คงที่รู้สึกไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกไปสบายๆมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วนะไม่ต้องทําอะไรให้ดูดีหรอกนะอย่าผิดศีลห้าพอแล้วละ่นะแล้วก็คอยดูจิตมันทํางานไปตามธรรมชาติเราจะเห็นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเราไม่ได้บังคับได้นะบังคับไม่ได้เลยสั่งให้สุขได้ไหมสั่งให้สุขไม่ได้ ลองยิ้มสิสังเกตไหมยิ้มแล้วใจคลายได้เองเอาทำหน้าบึง้งคิดถึงการเมืองที่เคร่งเครียดซิบ้านเมืองจะล่มจมแล้วอ้าวหน้าทะเล้นซะอีก <c oughs> ไม่ยอมเครียดนะเรียนกับหลวงพ่อเ น, นี่นะทําให้เครียดยากยากนะให้ใจผ่อนคลายง่ายกว่าสังเกตไหมใจตอนนี้หลุดหลีกลุกๆรู้สึกไหมสั่งให้มันหลุกหลีกหรือเปล่ามันหลุดหลิกได้เองเห็นไหม แต่เรายิ้มใจก็คลายได้เองแต่เราคิดเรื่องนี้ใจก็ขมวดขึ้นมามันก็ขมวดของมันเองแม้ใจมันเป็นเองคนขับรถปาดหน้าเราคิดนิดเดียวนะใจเราก็โกรธขึ้นมามันโกรธได้เองเนี่ยคอยดูนะจะเห็นมันเป็นไปได้เองเนี่ยของจริงเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่สุดโต่งไปข้างลืมตัวเองไม่สุดโต่งบางข้างบังคับกายบังคับใจแล้วก็ดูมันไป เราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา<ๆ>เห็นว่าเราบังคับอะไรไม่ได้จริงเนะี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจะเห็นความจริงของกายหเห็นความจริงของใจนะเห็นมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งเนี่ยได้ทะโสดาบันพรนะโสดาบันเนี่ยจะเห็นความจริงว่าขันห้ามีอยู่กายนี้ใจนี้มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของร่างกายก็เป็นสมบัติของโลกแลนะความรู้สึกนึกคิดก็ไม่มีเจ้าของนะจิตใจก็ไม่มีเจ้าของ เห็นขันห้ามันทำงานอย่างร่างกายมันทำงานเห็นความสุขความทุกข์ทำงานเห็นความดีความชั่วทำงานเห็นจิตทำงานแต่ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ทำงานนะมีมีการกระทาแต่ไม่มีผู้กระทำนะมีขันแต่ไม่มีเจ้าของนี่จะเห็นอยู่นี้นะแล้วพานาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายจะถึงขั้นที่ปล่อยวางจิตได้ถ้าปล่อยวางจิตได้มันจะเข้าไปสู่จุดที่หลวงพู่ดุลท่านบอกอ ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างสภาวะนั้นเป็นสภาวะจิตของพระอราหันต์ไม่ใช่จิตของพวกเราพวกเราจะไปแต่งจิตให้เหมือนพระอราหันต์ก็ไม่ได้ผลหรอกนะเมื่อก่อนที่สุรินก็มีพระองค์หนึ่งนะท่านทันหลวงปู่ดูลนะแต่ไม่เข้าไปเรียนท่านไปเรียนกับลูกศิษย์หลวงปู่ดูลดีกรองไม่ยอมไปหาหลวงปู่หรอกแล้ววิธีเรียนของท่านก็ประหลาดมากเลย ท่านส่งจิตไปดูส่งจิตไปดูหลวงตามหาบัวจิตเป็นยังไงส่งจิตไปดูหลวงปู่ดูลจิตเป็นยังไงดูหลวงปู่มั่นจิตเป็นยังไงแล้วพยายามแต่งให้เหมือนพยายามทําให้เหมือนพอเหมือนได้ท <im inters academic Grade> dumpling, ี่นะมันจะเหมือนอยู่ชั่วคราวท่านก็ท้าหลวงพ่อพระโมทพระโมทพระโมทมาดูจิตเรานะตอนตีสามมาดูนะบอกทําไมหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ตอนตีสามเท่านั้นหรอ ไสี่แล้วไม่เป็นเหรอมันไม่ใช่ของจริงนะเอท่านเลยตกมาไปนะท่าก็ไปหาวิธีทำมาอีกนะพยายามแต่งอะ่ะพยายามจะให้มันว่างสว่างบริสุทธิ์ในต่อไรเนี่ยบอกให้ดูรูปดูนามดูกายดูใจสี่ถ้าดูกายก็เห็นกายมันทํางานใจเป็นคนดูไปถ้าจะดูจิตใจก็ใช้รงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเห็นไตรลักษณ์ของจิตใจไปไดเรื่อย ถึงวันหนึ่งนะที่มันปล่อยวางจิตได้มันจะเข้ามาสู่ตรงที่ท่านพุทธทาสพูดถึงสุญญตาอะไรต่ออะไรเนี้ยว่างที่หลวงปู่ดูลพูดถึงว่างว่างไม่ได้แปลว่าว่างเปล่านะจิตพระอรหารเนี่ยว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความยึดถือนีว่างจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากไม่ใช่ว่างเปล่ามีมีอะไรมีจิตสิ ยังมีอะไรนะสว่างทาไมสว่างนะอะไรที่ทำให้สว่างปัญญาทำให้สว่างพวกเราสังเกตไหมใจของเราบางทีก็มืดเวลามีโมหะมันจะมืดรู้สึกไหมเวลาไม่มีโมหะมันจะสว่างนะคำว่าไม่มีโมหนะทาษาบาลีเรียกว่าอาโมหะสิ่งที่เรียกว่าอาโมหะนะคือปัญญานั่นเองปัญญานะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอามหานะจิตพระอรหันต์ไม่มีโมหะ งั้นสว่างนะส่วนของเราสว่างบ้างมืดบ้างตามเวรตามกรรมนะก็ยุติธทําแล้วนะว่าเราต้องฝึกอีกแนละ้ก็เรายังมืดอยู่ใครยังรู้สึกตัวว่าจิตยังมืดได้อยู่ย้งมือซิ ม, มีใครไม่เห็นย้งมือซิใครไม่เคยเห็นเลยว่ามันมืดอย่างนั้นถ้าไม่เคยเห็นเลยหรือว่าน้ามืดนะมองอะไรไม่ออกหน้ามืดนะ ถ้าเราดูเป็นนะเรเห็น เ, นเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดใช่ไหมถ้าจิตพระละหันจะสว่างเพราะมันไม่มีโมห ะ, ะว่างสว่างบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์นะไม่มีเชื้อของความเกิดเหลืออยู่เลยไม่มีอวิชชาเหลืออยู่เลยจิตของพวกเราไม่บริสุทธิ์หรอกบางค น, นชอบอ้างนะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตทุกคนบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เศร้ามองเพราะกิเลส ท, ที่จรนมาเคยได้ยินไหมพระเจ้าไม่ได้สอนนะอันนี้จํามาผิด พระเจ้าบอกว่าจิตทั่วๆไปเนี่ยมันประพัดสอนมันผองใสพองใสกับบริสุทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะน้ำใสเป็นน้ําบริสุทธิ์จริงไหมไม่จริงใช่ไหมจิตถ้าไม่มีกิเลสมานะจิตมันใสมันสว่างมันใสนะแต่มันไม่บริสุทธิ์หรอกมันมีเชื้ออยู่มันมีอวิชชาซ่อนอยู่เพราะงั้นมันจะงอกกิเลสหยาบๆขึ้นมาได้อีกนะส่วนจิตพระอรหันต์นั้นว่าบริสุทธิ์มันถอนอวิชชาออกแล้วว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่ง พวกเราเห็นไหมจิตของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่งทั้งวันปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนะปรุงว่างว่างบ้างอย่างพยายามจะปรุงให้จิตว่างอันนี้ เ, เรียกว่าอาเนนชาพิสังขารนะทำไปด้วยอวิชาเหมือนกันเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วจิตพระอรหันต์ไม่ปรุงนะไม่มีความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาใจของเราเสแสวงหาตลอดคิวตลอดรู้สึกไหมสแสวงหาอะไรดวกไหมสแสวงหารูป สแสวงหาเสียงสแสวงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาเรื่องราวทางใจที่จะพอใจนะใจของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาสแสวงหาตลอดเวลาเนะี่ยจิตพระอรหันต์ไม่มีปัญหาเพราะงั้นไม่มีการสแสวงหาต่อไปนะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตนะของเราเห็นกิริยาอาการของมันไหมมีกิริยาอยู่ใช่หม หลวงปู่ดูลท่านสอนนะบอกจิตพระอรหันต์เนี่ยภายนอกนะไม่มีรูปรักษ์จิตขอเรามีขอบเขตรู้สึกไหมมีขอบเขตวิ่งไปได้วิ่งมาได้ยังมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งวิ่งไปแล้วก็กลับมาเนี่ยหลวงปู่ดูลบอกจิตพระอรหันต์นะภายนอกเนี่ยไม่มีรูปรักษ์ไม่มีขนาดไม่มีที่ตั้งนะภายในเนี่ยเหมือนท่อนไม้และก้อนหินคือไม่มีความเคลื่อนไหวของเราเคลื่อนไหวไหม ยังมีกิริยาอยู่มีการเคลื่อนไหวอยู่สังเกตไหมมันเคลื่อนไหวยิ่งภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะจะเห็นมันไหวเย็บๆอยู่กลางหน้าอกใครเห็นตัวนี้บ้างใครเห็นแล้วยกมือสิที่เห็นมันไหวอยู่กลางหน้าอกอะ่ะมีบ้างไหมเห็นเป็นคลาวๆก็ได้อไม่ต้องเห็นทั้งวันทั้งคืนนะเห็นถ้าเห็นตัวนี้ได้เรื่อยๆนะถ้าสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์จะไล่เข้าป่าเลยบอกเนี่ยใกล้จะแตกหักแล้วนะ ภาวนาเก่งมากแล้วเห็นสังขารละเอียดมันปรุงนะมัเป็นกริยาของจิตนะบอกไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสัอย่างแต่เหลืออะไรรู้ไหมมีอะไรรู้ไหมมีความไม่มีนะเหลืออะไรเหลือนิพพานเหลือธรรมะอยู่โลกไม่มีแลไม่เหลือรูปเหลือนามเหลือแต่ธรรมนะที่หลวงปูด่ดุลพูดนะว่าสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสัอย่างไม่ใช่จิตของพวกเราหรอก นะจีของพวกเราไม่ว่างไม่สว่างไม่บริสุทธิ์นะไม่เคยหยุดปรุงแต่งนะเที่ยวสแสวงหานะมีกิริยาของจิตมีอะไรตั้งเยอะแยะเนะหลืออะไรอีกตั้งหลายอย่าง <c oughs> งั้นอย่ามาทาโมว่าฉันจะทาจิตว่างจิตว่างนะพวกภาวนาจิตว่างนั้นพวกภาวนาไม่เป็นนะไม่เห็นของจริงนะหลอกตัวเองงั้นดูของจริงนะเราจะเห็นของจริงได้นะถ้าใจเราเข้าสู่ทางสายกลางแล้วนะ เงินตรงที่ใจไม่สุดโตงไปสู่ความหลงลืมกายลืมใจไม่สุดโตงมาข้างบังคับกายบังคับใจจุดนั้นแหละเป็นจุดที่เราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นเป็นจุดที่เราจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็นได้นะค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆนะในวันหนึ่งก็เห็นหรอกไม่ยากหรอกทุกวันนี้นะคนที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ น, นับไม่ถ้วนแล้วนะ พวกเราคนไหนรู้สึกว่าขันแยกได้บ้างแนละ้วยกมือซิแยกเป็นคราวๆนะยกมือซิเนี่ยถ้าขันแยกได้เนี่ยจิตต้องเป็นผู้รู้แล้วล่วนะจิตต้องสลุดออกจากความสุดตง่งแต่สังเกตไหมบางทีก็ไม่แยกตอนที่ไม่แยกนั่นแหละสุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งนะส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติก็คือสุดตรงข้างบังคับตัวเองนาะยยกมืออีกทีสิคนไหนที่รู้สึกว่าขันแยกได้แนละ้วยกมือกล้าหาญหน่อยโอ้ให้ได้ เยอะพอสมควรแล้วก็เข้าใจถูกเป็นส่วนใหญ่ <laughs> นะ<น>ใครรู้สึกว่าจิตตื่นแล้วบ้างยีง่ยมเลสิทำไมน้อยกว่าเฝาวนาถูกเฝล่าเนี่ย <laughs> จิตตื่นนะมันแค่ตั้งต้นเท่านั้นเองแค่จิตมันตื่นนะ่แค่ต้นทางเท่านั้นเองถ้าจิตมันตื่นแล้วเนี่ยขันมันถึงจะแยก นะถ้าบอกขันแยกแต่จิตไม่ตื่นนะก็มันต้องเพี้ยนอะไรสักอย่างแล้วลนะ่ะต้องเออเรอยอย่างแรงเลยนะต้องเออเรอ ย, อย่างแรงเลยเห็นตัวอะไรยิ้มไหมเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมเห็นไมมันไม่ใช่ตัวเรานะง่ายๆแค่นี้เองนะส่วนบางพวกอยากให้มันไม่เป็นตัวเราก็นั่งนั่งเพ่งไปดนะูเพ่งเอาไว้เฉยๆไม่เกิดปัญญาเพ่งไว้เฉยๆไม่เกิดปัญญานะ งั้นทำความสงบไปเรื่อยๆไม่ทําให้เกิดปัญญานะแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีปัญญาเดินวิปัสสนามไม่ได้ใจมันฟุ้งฟุ้งก็คืออะไรหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะีใจฟุ้งซ่านนี่กลัวใจฟุ้งก็บังคับใจไว้ก็หลงมาสุดตรงข้างบังคับอีกนะใครรู้สึกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งฟุ้งซ่านมากยกมือสีใช้ได้นะแสดงว่าภาวนาเป็นใครรู้สึกว่า สมเดือนมาแล้วใจยังไม่ฟุ้งเลยมีไหมเห็นตัวอะไรหัวเราะไหมลืมมันไม่ยากเห็นไหมพอเริ่มรู้สึกตัวก็เริ่มอึดอัดเริ่มแน่นเห็นไหมตอนเผลอสุดโต่งไปข้างใจลอยพอรู้ก็มาบังคับก็จะอึดอัดเห็นไหมใจเป็นอย่างนี้ห้ามไม่ได้นะอยู่ๆจะไปสั่งบอกว่าอย่าไปบังคับมันก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตา จริงจริงแล้วการภาวนานไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ว่าจะค่อยๆพัฒนาใจเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้เงินพระเจ้าเริ่มต้นจะเริ่มจากทางสายกลางนี่เองพอใจเข้าสู่ทางสายกลางได้ก็มาเจริญหมักได้งั้นไปดูธรรมจักเนี่ยจะเริ่มต้นว่าไม่ให้สุดโต่งนะบรัญรชิตไม่ควรสุดโต่ง ไปสองข้างข้างตามสุขาริการุโยคตามใจกิเลสข้างอัตตากิริมฐานุโยคบังคับตัวเองพอไม่สุดตกแล้วนะท่านก็บอกว่าท่านก็สอนบทต่อไปนะคือเรื่องมรคมีองค์แปดเนี่ยสอนให้เจริญมรคได้เแต่ก่อนจะเจริญมรคได้นะใจต้องเข้าสู่ทางสายกลางซะ ก, ก่อนเห็นไหมธรรมะของท่านมีเหตุผลนะ มีเหตุผลมากเลยมีขั้นมีตอนไม่ใช่อยู่ๆก็สอนเรื่องเอาไปเจริญสติเจริญอะไรต่ออะไรเจริญปัญญาทุกคนไปทําวิปัสนาเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปทําวิปัสนา น, นทําไม่ได้จริงหรอกจนะตั้งชื่อคอร์สว่าคอร์สวิปัสสนาก็ได้นะหรือตั้งชื่อวัดวัดวิปัสสนาสวนสันติธรรมอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่เคยฝึกให้จิตตั้งมั่นเลยมันไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะจิตนจะสุดตรงอยู่นั่นแหละ คนทั่วๆไปจิตจะสุดตรงข้างหลงนะนักปฏิบัติทั่วๆไปจิตจะสุดตรงข้างบังคับตัวเองจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยเป็นกฎเลยนะเป็นธรรมชาติเลยนี่ถ้าเรารู้ทันนะว่ากอหลงไม่ดีแล้ว ร, รู้สึกตัวบ่อยๆแต่รู้สึกตัวก็ไม่ใช่บังคับไว้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้ดีกว่ากลัวเผลอแล้วบังคับเอาไว้เนะั้นหลวงพ่อจะสา เ, เรื่อยเผลอแล้วรู้นะเผลอแล้วรู้หลวงพ่อไม่เคยบอกว่าห้ามเผลอใช่ไหม เคยไหมบอกห้ามเผลอนะไม่เคยห้ามเผลอเป็นไปไม่ไ <sack> ด <surface> ้เหมือนเราห้ามโกรธห้ามโกรธเป็นไปไม่ได้ห้ามขำก็ไม Still, ่ได้นะห้ามอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่ห้ามหรอกเอาแค่ว่าเผลอเรารู้เผลอเรารู้ถ้าเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะใจจะเข้าสู่ทางสายกลางแต่ว่าพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะอดไม่ได้หรอกจะเวี่ยงมาข้างบังคับช่วงแรกๆเป็นทุกคนนะต่อไปมันจะเหลือแต่เผลอเรารู้เผลอเรารู้ค่อยฝึกอย่างนี้เรืๆนะ เงินเงื่อ น, นไขพื้นฐานเรานะถือศินห้าไว้นะสะสมสินห้าไว้นะสสไวอยามักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปลารบความเพียรสู่สินห้าเนี่ยเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จะทําให้เราพอนา ง, ง่ายถ้ามากักมากมากักมากนะไม่สันโดษโลภมากนะไม่มีความสุขใจจะฟุ้งนะบางคนมีเงินตั้งเป็นหมื่นล้านนะยังหิวเลยนะอยากได้สองหมืล้าน ได้ 20,000 ล้านอยากได้ส0 0 0 ม, มล้านถามว่ามันกินข้าววันละกี่บาทมันเท่าไหร่หรอกนะกินอาหารก็กินทีเดียวจานหนึ่งสองจานอย่างมากนะมีสมบัติมากมายมก็ไม่ได้บริโภคอะไรมีไว้ภูมิใจเฉยๆนะเป็นบริโภคทางใจแนละสมบัติเยอะที่จริงแค่พออยู่เพอกินได้นะสบายแต่ถ้ารวยได้ก็ไม่ว่านะรวยได้ก็ถือเป็นบุญเก่าเพราะเราก็รวยไปหลวงพ่อก็อนุมโมทนาด้วย แต่ถ้าทำงานแทบตายแล้วไม่รวยก็อย่าไปกลุ่มใจนะพอใจพอใจได้แค่นี้พอใจแล้วน้ำพักน้ำแรงของเราสะอาดหมดจดนะวันหนึ่งหาได้299บาทยังไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะแต่ว่าหาได้เท่านี้แหละก็พอใจเต็มใจอิ่มใจของเรานะไม่ได้โกงใครอะไราักน้อยสันโดษนะไม่คลุกคลีคลุกคลีนี่สาคัญนะ พวกเราในโลกยุคนี้โลกคลุกคลีจริงเลยยุ่งมากไอเฟส c ุ๊ o ไอไลน์เลยอะไรนี่นะคลุกคลีตลอดเวลาเลยไม่เจอหน้าก็ยังคลุกคลีทางอินเทอร์เน็ตกันวนะุ่นวายใจหาความสงบไม่ได้เพรานันต้องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรตัวใครตัวมันเรียนหลักของการปฏิบัติแล้วกลับบ้านภาวนาของเรานะตั้งอกตั้งใจฝึกฝนของเราไปเรื่อย เราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ยาวนานแค่ไหนนะเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยเงือนเรื่องอะไรเราจะปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยไม่มีคุณค่าเงินภาวนาเอาเวลาไปภาวนายุ่งกับคนอื่นให้น้อยบางคนยุ่งกับคนอื่นเยอะเกินไปนะสนใจคนอื่นห่วงคนอื่นอยากให้เขาภาวนาโทตัวเองอะไม่เคยภาวนาว่นจะอยากให้คนอื่นภาวนาะงั้นใช้ไม่ได้เรื่องเลยนะงั้นถ้ารู้หลักแล้วก็ภาวนาของตัวเอง ภาวนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านก็ปลอดภัยดีไม่ต้องเสียค่ารถภนะาวนาที่บ้านไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเสียเวลาเปล่าๆถ้าสงสัยอะไรก็เปิดซีดีฟังซีดนะีหลวงพ่อมีทุกคําตอบที่จําเป็นสําหรับนักปฏิบัติอยู่แล้วนะบางคนฟังซีดีเฉยๆนะเดือนเดียวท่านะขันแยกงหมดแลเคยเจอเยอะชะละเดือนเดียวท่านะขันแยกงนละเห็นขันแสดงใจรลักษณนะนะั้นเราช่วยตัวเองอย่าครุกคลีมาก ถือศีลหถือไว้แล้วก็ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้พูดให้เจ้าสอนไปเท่านั้นนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีศีลมีสมาธิฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญาไปมีความเพียรพักเพียรขยันดูขยันรู้ขยันดูดูมันทุกวันดูมทั้งวันได้ยิ่งดียกเว้นเวลาทํางานแต่ไปปัญญาก็เกิด ปัญญาเกิดแล้วก็เห็นความจริงของาธาตุของขันต์ต่อไปวิมุตต์คือการปล่อยวางก็เกิดจิตก็พ้นจากาธาตุจากขันต์ก็เกิดวิมุตต์ญาณทัศนะเกิดรู้แจ้งเห็นจริงว่านิพพานมีจริงๆนะร พ, พระพุทธรธรรมพระสงค์มีจริงๆนะนี่คือเส้นทางที่พระเจ้าท่านสอนเราไว้นะมักน้อยมักน้อยหมายถึงว่าอันนี้เหมาะกับพวกพระมีโอกาสได้มากก็เอาน้อย ของคารวาสไม่เป็นไรหรอกนะมีโอกาสได้มากก็เอามากไปหน่อยอย่าโกงเท่านั้นแหละสันโดษหมายถึงว่าทำเต็มที่แล้วได้ผลแค่นี้พอใจลนะอิ่มใจว่าเรามีฝีมือนะวันหนึ่งหาเงินได้299บาทนะไม่เท่าค่าแรงขั้นต่ำแต่เราพอใจละเราไม่ได้โกงใครเนี่ยเรียกว่าสันโดษไม่คลุกคลนะีไม่ใช่คุยทั้งวันแต่ก่อน เ, เที่ยวไปหากันเที่ยวโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มี Facebook มีลน์อะไรเนี่ยคลุกคลี มากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปลารบความเพียร น, นะนึกถึงชีวิตเรามันไม่แน่นอนนะขยันดูขยันรู้ไปมีศีลมีศีลมีสมาธิคือฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับตัวเองหัดเจริญปัญญาเห็นธาตุขันธ์มันทำงานไปเรื่อยนะสุดท้ายวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะจะเกิดเองอันนั้นมันจะเกิดขึ้นเองแล้วเป็นผลที่จะตามมาความหลุดพ้นจะตามมาเอง เมื่อเรามีปัญญากแก่รอบแล้วนี่เส้นทางที่ท่านสอนไว้นะเป็นทางสายกลางอันนี้แหละทางสายกลางไปทำเอานะใครทาก็ได้ใครไม่ทำก็ ก, ก, ก็ไม่ได้ทานั่นแหละ <c oughs> ชาติต่อไปเลวร์ น, นี้อีกนะถ้าเราฝึกตั้งแต่วันนี้นะอายุมากกว่านี้เราก็ดีขึ้นชาติหน้าถ้ายังต้องเกิดอีกจะดีกว่า น, นี้ ถ้าเราไม่ทำนะแก่แก่ไปก็เร็วกว่านี้นะใจมันธรรมชาติมันไหลลงต่ํำตลอดเวลาเลยชาติหน้าเร็วกว่านี้อีกเวลาไปได้ยินธรรมะเข้าจะยิ่งปฏิบัติยากกว่านี้อีกเมื้นลงมือทําตั้งแต่วันนี้มีโอกาสแล้วปฏิบัติซะอย่ายุ่งกับคนอื่นมากตั้งอกตั้งใจเอาตัวเองให้พ้นทุกข์นะใครในบ้านเรานะค่อยๆพาวนาให้เขาเห็นนะว่าเราเปลี่ยนแปลงเดินทางดีขึ้น เงยคนในบ้านเขาจะได้สนใจถ้าคนในบ้านภาวนากันทั้งบ้านได้นะบ้านนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขมากเลยโลกร้อนเป็นไฟแต่กลับบ้านแล้วมีความสุขหรือเราภาวนานะเพื่อนในที่ทำงานเห็นอะไรเขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีดีกว่าพูดนะบางคนชอบพูดชอบสอนธรรมมากคนอื่นนะกิเลสจะท่วมหัวอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครเาเชื่อหรอกอย่าเพิ่งไปวุ่นกับคนอื่นเขาภาวนาของเราให้ได้ อาเท่านี้ก็พอสมควรอ้าวเชิญส่งกันบ้านนมรรการค่ะ อ, อยากสอบถามว่าปัจจุบันนี้ดูทางกายและจิตสลับกันเป็นวิหารธรรมไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าแล้วเออปฏิบัติดูกายดูใจได้ก็ดีแล้วล่ะนะจิตถึงฐานไหมดูไม่เป็นค่ะตอนนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้ไหมจิตนี้ไม่คิดรู้ไหม เนี่ยอย่างนี้เรียกจิตไม่ถึงฐานจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะทำไงจะถึงอย่าไปดึงไว้ให้แค่รู้ว่ามันไหลไปคิดนะมือนจะจะดูกายดูใจก็ได้นะแต่ระวังมันถล่มไปดูบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นร่างกายหายใจอยู่แต่จิตเนี่ยไหลไปอยู่ที่ลมอย่างนี้เรียถล่มไปดูละบางคนดูจิตนะก็จิตเที่ยวไปกวานว่าจะดูอะไรดีพอไปเจออะไรเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ภายในไปจ้องเอาไว้แล้วบอกว่าดูจิตอยู่เนี่ยจิตมันเคลื่อนออกไปดู ให้ระวังตรงที่จิตมันเคลื่อนไปให้คอยรู้ทันตรงที่จิตมันเคลื่อนบ่อยๆนะเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตที่ตั้งมั่นสะก่อนเราถึงจะไปเจริญปัญญาได้บางครั้งก็รู้สึกว่ากายไม่ใช่ของเราเหมือนเห็นมันทำอะไรของมันเหมือนเราเห็นจากข้างบนเนี่ใจมันเป็นคนดูเหมือนมันดูจากข้างบนนะถูกถูกแปลว่าตัวนี้เราก็ไม่รักษานะตัวข้างบนเนี่ยใช่ต้องรักษา24ชั่วโมงนะ มีเป็นคลาลๆมีแล้วก็เห็นร่างกายมันแยกออกไปใจเป็นคนดูไม่ประคองตัวนี้นะบางคนไปประคองตัวรู้ไว้อีกทีไม่ดีอย่างนี้แปลว่าที่บอกว่าแยกธาตุแยกขันได้คือเป็นความรู้สึกแบบนี้หรอคะใชนะ่แต่ว่าต่อไปมันแยกมันจะเนียนนะเนียนกว่านี้นะมันเหมือนมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกันเหมือนอยู่คนละเลเยอร์กันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกัน ส่วนการแยกออกมาอย่างนี้บางทีแยกด้วยสมาธิไดเ้เรามีสมาธิแรงๆนะดึงเอาตัวรู้ลอยขึ้นมานะให้เห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวแต่ใจมันจะทื่อๆงั้นสังเกตนะถ้าเราดึงตรึงตัวนี้ไว้เนี่ยใจมันจะทื่อๆเดี๋ย จ, จะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เออถ้าอย่างนี้ผิดเลยนะค่ะงั้นต้องไม่รักษาตัวนี้ <c oughs> อยูด่ดีๆก็ลืมว่าจะถามอะไรนี่แหละสัญญาไม่เที่ยง <c oughs> ไม่ต้องแก่หรอก <c oughs> <c oughs> สัญญา<อ>มันดับอ๋อหนูติดสมถาะาหรือเปล่าคะบางทีบางทีก็ตอนที่นั่งสมาธิก็ดูมันนิ่งๆติดติดบ้างไม่แรงมากแล้วการใช้ชีวิตประจำวันติดสมถาะาหรือเปล่าคะบางทีเหมือนมันเย็น เ, นเนวียนวัสยสบายๆ ส, ส, สบายมีหลายแบบนะภาวนาถูกสบายทั้งวันเลย ใจเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขชวยขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ถ้าสบายอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะเห็นไหมคำเดียวกันนะบอกว่าจิตสบายเนี่ยต้องต้องดูละเอียดเลยมันสบายแบบไหนมีหลายแบบอีกก็พอเกิดบ้างค่ะเออไออย่างนี้ไม่เอานะอย่างเงี้ยอันนี้ของปลอม ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อถ้าเกิดอุปสรรคบางครั้งมีอุปสรรคในการภาวนาทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามรูปแบบได้เ mm hmm. ชนน่นสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมหลวงพ่อมีคําแนะนําอื่นให้หนูได้ปฏิบัติ ต, ต่อได้ไหมคะเราก็พยายามโยกเวลาให้มันทําให้ได้ mm hmm. ตอนค่าไม่ว่างก็ทำแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. พยายามอดทนนะถ้าเราทําได้อย่างที่เราตั้งใจทุกวันนะจิตเราจะมีพลังนราจะมีความเข้มแข็ ง, ขงมากขึ้นมากขึ้น แต่ถ้าเราตั้งใจแล้วเราทำไม่ได้นะนานๆไปเราจะอ่อนแออดทนเอาใช้สติปัญญาฉลาดอยู่คงโยกได้หรอกปัจจุบัน <laughs> ถ้าปฏิบัติตามรูปแบบไม่ได้ก็ถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็จะใช้วิธีนั่งรถสวดมนต์หรือไม่ก็ภาวนาอีกตั่งเออนั่นก็สวด อ, อ, อยู่แล้วนั่นก็สวดมนต์แล้วค่ะ <c oughs> สวดอย่างนั้นแหละ <c oughs> บุญกุศลทั้งหมดขอน้าถอยเป็นพุทธบูชาอาจาลยาบูชานะคะแล้วก็ส่งให้ทุกคนทุกท่านที่เป็นกัญยาี้โอ้กําไรทุกคนเลยสาธุของหนูนะพอวางหม่แล้วจิตดีขึ้นนะถึงแม้มันยกภาระออกไปแต่ว่ามันยังตรึงความรู้สึกตัวเล็กน้อยนะอย่านิ่งไปนิดนึงค่อยๆรู้ไปค่อยคลายทีหลังใช้ได้อยู่ถือว่าดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วล่ะนะไม่เครียดเท่าแต่ก่อนละ อ้าววันนี้น้รัศการขลวงพ่อหนูเพิ่งเริ่มหนูเห็นไหมว่าใจมันโล่งกว่าแต่ก่อนใจมันปร่งขึ้นแะนะนั่นหนูก็เลยว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะบางทีมันไม่ค่อยทุกข์เลยอะค่ะหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้สเดือนไม่ทุกก็ปลุมใจอีกไม่ทราบว่าหนูติดเพ่งติดอะไรเป็นคาว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์นะไม่ใช่ต้องทุกข์ทรมานนะอรู้ทุกข์หมายถึงรู้สึกกายรู้สึกใจกายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์เพราะเวลาหนู เหมือนกับหลงไปคิดแล้วก็จะมีเหมือนเสียงหลวงพ่อบอกว่าหลงไปคิดให้รู้แล้วหนูว่าเอ๊ะนี่หนูคิดซ้อนคิดหรือเปล่าลูกหนูไม่ต้องกลัวหรอกใช<อ> <c oughs> ่ห้ามมันไม่ได้หรอกอะนะและแ้วแค่รู้ว่าหลงไปคิดแล้วก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะคือเสียงหลวงพ่อจะดังตลอดเลย <c oughs> แต่ว่าอย่างโทรศัพท์ระวังหน้าให้มันดังตลอดเนี่ยต้องปรึกษาจิตแพทย์ <c oughs> แต่ว่าโทรศัพท์หูจะแต่มันยังเชย อ, อยู่แต่ว่ามันจะดับเร็วกว่าเมื่อก่อนนะคะเออเพาเรารู้ทันมันดับนะ ที่จริงเราไม่ได้ดับโทสะไม่มีใครดับโทสะได้หรอกแต่ตอนที่โทสะจะเกิดเนี่ยมันผ่านการคิดมาคิดในทางไม่ดีเรียกว่าพยาบาทวิตกก็จะเกิดโทสะนี่พอเรามีสติเราไม่ไปคิดเรื่องไม่ดีนะโทสะก็หมดเหตุโทสะก็ดับไปนะมันดับของมันเองเพราะเราไม่ไปคิดเอาแต่ถ้าเราไปคิดถึงคนอื่นในทางไม่ดีนะเดี๋ยวโทสะก็เกิดไปคิดถึงดินฟ้าอากาศในทางไม่ดีเดี๋ยวโทสะก็เกิดนี่ร้อนนึกเกิน เทวดาทําไมทําให้ร้อนเทวดาก็ต้องเถียงนะแกแหละทาเองฉันไม่ได้ทำหลวงพ่อแล้วหนูไม่เข้าใจเรื่องจิตถึงฐานหนูไม่ทราบว่าแบบไหนที่เรียกว่าฐานหนูรู้จักจิตที่ไหลไปไหลมาไหมค่ะเออดู้แค่นั้นพอละไม่ต้องทําจิตให้ถึงฐานมันต้องถึงเองแค่รู้ทันว่ามันไม่ถึงฐานน่ะเดี๋ยวมันเข้าบ้านเองอย่ารักษาไว้นะเห็นไหมมันวิ่งล็อกแรกล็อกแรก นให้รู้ทันไปกรับกรรนวมศการหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อมาได้แบบจริงๆจั ง, จงๆประมาณสี่เดือนค่ะแล้ว เ, เมื่อสักครู่ตอนที่กำลังฟังเพื่อนอยู่ก็รู้สึกจิตใจเบิดบานดีแต่ว่าพอจะได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อเป็นครั้งแรกด้วยความปิติหนูรู้สึกใจเต้นมากไม่เป็นไรหรอกให้มันเต้นไม่อย่าให้หยุดนะ มันเริ่มใจเต้นรัวค่ะตอนที่หนูฟังซีดีของหลวงพ่อหนูรู้สึกปิติแล้วก็จิตใจเบิกบานตลอดเวลาค่ะหนูนดูนะปิติก็เกิดได้เองความเบิกบานก็เกิดเองเห็นไหมปิติก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปเนี่ยเราดูความรู้สึกนะความรู้สึกอื่นก็ดูแบบเดียวกันเนี้ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ก็จะเห็นว่ามันอยู่เดี๋ยวโชวคราวก็หายนี่แหละอย่างนี้แหละเรียกเดินปัญญาค่ะ แล้วนะหนูก็ตามรู้ตามดูแบบที่หลวงพ่อสอนอหนูก็รู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องเกิดดับตลอดทั้งวันคนะ่ะเออนั่นแหละแล้ววันหนึ่งก็มีความคิดเข้ามาเป็นร้อยๆเรื่องในแต่ละวั น, นะคะใช่ก็ก็เลยตามรู้ตามดูหนูจะเน้นที่ดูโทรศะพท ม, มากค่ะเพราะว่า ก่อนนี้ก็เกิดโทสะบ่อยแต่หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เกิดโทสะปั๊บแล้วพอรู้โทสานั้นมันก็จะมันก็จะหายไปค่ะดีแล้วล่ะฝึกหนะ้าถ้าเราใจเราเคล้ากับโทสะโอกาสตกนรกก็สูงในพอใจโทสะเกิดเรามีสตินะไม่ตกนรกลนะใจเราเป็นกุศลค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนําหนูอีกไหมคะหนูทําไปเรื่อยๆนะไม่รีบร้อนนะ ทำตลอดชีวิตของเราถือว่าทำถวายพระพุทธเจ้าไปน <ะ S 2> หนูก็นำการปฏิบัติมาถวายได้หลวงพ่อขับใจนะหลวงพ่อรวยมากเลย <c oughs> ชอบนะรู้สิทธิ์ภาวนาสอนแล้วไม่ภาวนานก็ไม่รู้จะสอนทำไมคาะการนมัสการค่ะส่งการบ้านรออผ้าเดือนนะคะก็ยังติดเพ่งอยู่บ่อยๆค่ะ ก็คือถ้ารู้ลมหายใจหรือว่าพุทโธมันจะแน่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดบางทีก็ใช้กายเคลื่อนไหวค่ะแต่บางทีก็ตั้งใจแบบปล่อยใจให้มันสบายๆอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมีอะไรจะห้าไหมปล่อยใจให้สบายนะแล้วก็ไม่ไม่ใช่สบายแล้วเผลอไปให้ใจสบายๆนี่แหละแล้วก็เห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานด้วยใจที่สบายๆ ต้องต้องใช้ใจสบายสบายไปดูนะถ้าใจเคร่งเครียดใจนิ่งนิ่งอมันก็ไปเพ่งเอายังติดเพ่งอยู่ใช่ไหมคะนิดหน่อยของเก่ามันทำมานานฝึก เ, ออเพ่งมันหลายปีแต่ลูกเพิ่งมาปฏิบัติทำสองปีนี้เองค่ะอพอดีก็ คือถ้าเกิดลูกจะถามเนี่ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปจะไม่ได้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นแม่บ้านแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนะคะจะถูกกับจรหลุดแล้วก็อุปนิสัยรึเปาคะโอ้ต้องไปดูเองนะไ้สังเกตเอาบางคนยังไม่ต้องหามาหากินแล้วใช่ไหมเออคือเดิมนี่ทำงานมาเกือบ20่สิปีะคะ่ะแต่ก็พอดีตั้งใจว่าถ้าเกิด เราไม่อยากเสียเวลาไปกับเรื่องทางโลกอย่างเงี้ยค่ะเราก็คืออยากจะใช้เวลาคือที่เหลืออยู่เพื่อปฏิบัติธรรมอะค่ะอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยค่ะมไม่รู้ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะบางคนเราทำงานมาตลอดชีวิตนะแล้วอยู่ๆก็เลิกทำงานจะมาพาวนาเนีนะ่ยาทีหมกมุ่นไปหรือมันจะมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งพอนาจเจริญอยู่ช่วงหนึ่งก็ได้นะผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะบคนเซ็งไปเลยชีวิต จูดชืดเลยนะรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าเห็นหลายลายแล้วประเภทลาออกจากงานแล้วจะมาพอวนาเนี่ยเป็นเยอะเลยนะต้องค่อยๆวัดใจตัวเองนะทำงานอาจจะลดงานลงมีเวลาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าอยู่ๆทำงานหนักๆแล้วปุ๊บปรับเลิกไปเลยนะถี่เก้งกว้างเลยมันไม่ดีเท่าที่คิดมันจะดีชั่วคราวนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะขอบคุณ นมาสการค่ะคือเวลาที่เรานั่งเฉยๆอะค่ะบางทีมันจะรู้สึกว่ามีความยิบยับอยู่ในกายอืคือเข้าใจว่าเราจะต้องดูว่าไอ้ความยิบยับเนี่ยมันไม่ใช่กายหรืออาจจะมาดูว่าจิตที่ไปรู้เป็นอีกสิ่งหนึงเปนยิบยับตรงไหนหรือตรงโน้นตรงนี้ค่ะตรงโน้นตรงนี้เป็นตัวตเวทนาค่ ะ, คะตัวเวทนา<ต>เกิดขึ้นไม่ทราบว่ารู้ได้ถูกหรือเปล่าสังเกตนะ้นกายก็อันหนึ่งนะเวทนาก็อันหนึง่งจิตก็อันนึง ค่อยๆดูไปจิตถ้าเหมือนตอนนี้ไม่ถูกน ะ, ะจิตต้องเป็นธรรมดากว่า น, นี้เราอีกอย่างคือเวลาที่ท่องพุโทโธในใจเป็นแบล็กกราวอะค่ะจะเห็นคนที่อยู่ข้างในเขาท่องพุโทโธ อ, อยู่จะชัดแต่ว่าจิตอีกอันหนึ่งมันบอกว่า ม, มันเหนื่อยแล้วก็มันมันไม่อยากจะท่องพุโทโธอะค่ะตัวที่ท่องพุโทโธมันไม่ใช่จิตหรอก คนที่มันรู้อะน ะ, ะเป็นตัวจิตตัวที่มันท่องพุโทโธเป็นตัวสังขารมันปรุงบางคนไม่ชอบปรุงพุโทโธไม่ปรุงอย่างอื่นก็ได้นะแต่ปกติเนี่ยจิตมันปรุงตลอดเวลานี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยให้มันมาปรุงพุโทโธซะดีกว่าไปปรุงอากุศนะลก็เลยพาบอกมาพุโทโธพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตเอา พุทโธแลจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลอกุศลก็รู้อะไรเนี่ยพุทโธแล้วรู้ทันจิตไป <c oughs> ไม่ใช่ไปจ้องนะถ้าจ้อง <c oughs> แรงๆจะอึดอัดของคุณจ้องไว้แรงไปจะอึดอัดค่ะแล้วหนุกควรจะยังไงต่อดีคะต้องยิ้มหวานๆก่อน <c oughs> ยิ้มให้มีความสุขการพาวนาต้องมีความสุขนะภาวนาแบบเครียดๆนี่ไม่ได้นะเครียดไป มีอยู่วันหนึ่งที่ที่ลองทําแบบหลวงพ่อบอกก็คือยิ้มแล้วก็นั่งนั่งไปด้วยสักพักนึงเนี่ยมันจะเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นแสงที่มันวิ่งวนวนวนๆ น, นอยู่แต่ว่าจิตใจใจมันก็ถามว่าไอ้นี่เรามีสติอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มีสติอยู่อย่างนี้มันมันก็ให้รู้<ช>ว่าใจมันสงสัยขึ้นมาะนะรู้ทันใจไปะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันจิตไหมปลอดภยัย การนัวัตการค่ะกออ็ยมอยากถามว่าเมื่อกี้ประเมินผลก็ประเมินตัวเองแค่จิตตื่นนะคะพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะหลงไปหรือเปล่าหรือ ย, ยังไงแล้วก็ต้องแนะนำคันมันก็ค่อยแยกแล้วละ่ะดูกายได้ก็ดูไปดูจิตได้ก็ดูเราไม่เลือกหรอกเพราะว่าดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์จริงๆดูไตรลักษณ์ สังเกตไหมร่างกายนี้กับใจคนละอันมันแยกแล้วล่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะประเมินมันมันแยกกอกแต่ว่าจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนค่ะจะให้เหมือนนะถ้าเหมือนอย่างนี้เป็นตัวรูปลอมจงใจตั้งขึ้นมาก็ปฏิบัติต่อไปใช่ดูขันมันทํางานไปด้วยต้องต้องเพิ่มใจเป็นแค่คนดูเห็นขันมันทํางานไปด้วย เพิ่มเติมตรงไหนไหม่คะต้องเน้นตรงไหนเพิ่มไหมคะหรือว่าต้องไปเพิ่มสมถะไหมคะเพราะว่าวรู้สึกตัวเองยังไม่ค่อยมีวินยัยเชื่อต้องมีวินัยนะ <c oughs> ใจยังฟุ้งเก่งอยู่แล้วเวลาพูดเนี่ยใจมันกระโดดเก่งนะกระโจนเก <c oughs> ่งนี่เราคุยน้อยๆ้อ <c oughs> ยุ่งกับคนอื่นน้อยน้ชอบยุ่งกับคนอื่นไหม <c oughs> ยุ่งเหมือนกันค่เป็นห่วง <c oughs> เป็นห่วงหลายคนยุ่งพอสมควรเนี่ยแล้วคอยรู้ทันของเรานะเอาตัวรอดกัน <c oughs> คนนี้ใส่เสื้ออะไรไม่ใส่ใส่โทโส <c oughs> ทำไมล่ะเป็นคนขี้โมโหเหรอ <c oughs> เออใส่เสื้อโทโสคนไทยใช้คำมั่วๆนะโกรธเราไปใช้ว่าโมโหโมโหเป็นโมหะท <c oughs> ี่จริงโทโสโทโสว่าผู้โกรธกลับนมัซกา พ่อค่อส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกอะค่ะปฏิบัติมาประมาณปีนึงอะค่ะช่วงแรกปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วก็จะเครียดก็เลยจะหยุดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้พักนึงก็เลยต่อหลังมาเดินจงกรมอย่างเดียวอะค่ะอตอนเช้าปกติก็จะพยายามเดินให้ได้สักชั่วโมงหนึ่งอะค่ะหรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีอะค่ะแต่ว่ายังรู้สึกไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในทางหรือเปล่ า, าค่ะถ้าปฏิบัติสม่ําเสมอนะก็ใช้ได้แหละ แล้วเราก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะเราประคองไว้ไหมเวลาไปรู้ไกลเวลาเดินจงกรมทำใจขึ้มๆไหมน่าจะมีบ้างเออให้รู้ทันนะค่อยๆ ค, ค, คลายจนกระทั่งเราเดินจงกรมเนี่ยเรารู้ไปด้วยใจที่ธรรมดาเนี่ยแหละไม่ต้องทำขึ้มๆแล้วก็ไปเดินอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นจะเครียดไปรู้สึกสบายๆนี่เดี๋ยวให้คุณมาลีเขาเดินจงกรมให้ดูเขาเดินเก่งอยู่ ได้ดีมาเพราะการเดินหลุงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะใจหนูยังไม่ค่อยมีแรงนะงั้นพยายามเพิ่มความรู้สึกตัวให้มันเข้มขึ้นนิดเดียวรู้สึกตัวให้มันเข้มแข็งหน่อยบางทีเหมือนพยายามรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นแล้วมันมันเกรงอะค่ะมันเหมือนก็ปวดนะเกงไม่แน่ใจว่าแบบไหนกําลังพอดีอะค่ะเบื้องต้น่ะตึงเครียดไว้ก่อนดีกว่ย่อนไปถ้าจะเอาให้พอดีมันจะย่อน มือนเข้มกึ้นนิดหนึ่งรู้สึกเข้มกึ้นนิดหนึ่งแต่อย่าเข้มเยอะเข้มเยอะจะเป็นเพง่งจะอึดอัดแต่ถ้าหย่อนอย่างนี้นะมันจะพภาวนามไม่ได้ไม่มีแรงพระเจ้าสอนนะถ้าถ้าถ้าหย่อนคือพักอยู่ท้านเรียกว่าพักอยู่นะจะจมลงจะตามกิเลสไปนะถ้าเพียรอยู่อัพขึ้นเลยจะตึงนะจะไปดีในสุขติ แต่ถ้าใจมันรอบลงไปรู้ว่ามันรอบนะใจมันก็ตั้งขึ้นมาส่งตัวรู้ไปดีๆรู้ไปเท่าที่เป็นะแต่ไม่ให้ใจมันรลบลงไปหมดแรงลงไปเราความรูร้สึกขึ้นิดหน่อยอย่าให้มันเราท้อเราทวยลงไปนะเข้มแข็งไว้เข้มแข็งหน่อยขอบคุณค่ะนมามัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้มันมีเวทนามากเลยค่ะ ตลอดเวลากระนำโดยเฉพาะเวลาภาวนาในรูปแบบนะคะจะขอคำแนะนำจากหพ่อเทนาอ ย, ย่างไงก็มีความรู้สึกทางร่างกายอย่างมีมีเมือกหรือว่ามีมีน้ำฉีดหรือว่ามีเส้นรัดพันตัวนะคะโอค่ะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มันโดนแกล้งค่ะเ น, นี่ยต้องมาคุยกับคุณมาลีเนี่ย <laughs> คืออย่างนี้ทุกวันนี้มันมีพวกมารนะถ้าใครภาวนาถูกมันจะแกล้งแสดงว่าเป็นเครื่องตัดสินได้อันหนึ่งนะว่าภาวนาเก่งถ้าภาวนาผิดมันไม่ยุ่งกับเราเลยมันจะเห็นความกลัวแล้วก็จิตใจมันหวั่นไหวในขณะภาวนานี้มันจะมีความลังเลว่าทํากับไม่ทําำคือมารเนี้ยต้องการให้เราเลิกปฏิบัติ จะแกล้งให้เรากลัวนะให้เราเลิกแล้วอดทนนะสละเป็นสละตายเลยนะถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าให้ใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้นะอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวมันนะมันจะโดนอยู่ช่วงเดียวแหละคือเรามีมีวิบากเราก็โดนนะต่อไปวิบากมันลดลงมันก็ไม่ค่อยโดนแล้วละมานี้ใจบุญมากเลยนะพยายามแกล้งคนเพื่อฝึกพวกเราให้เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเขาไม่มาก็ไม่ฝึก ไม่มีมารบารมีไม่มีอ๋อมารไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าใครภาวนาดีมันแก้งหมดแล้วนะมีอะไรแนะนำไหมคะหลวงพ่อเรามาคุยกับคุณมาลีนะนะไม่ายากหรอกร่อทูนง่ายง่ายนมัส ก, การคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณปีกว่าคะ่ละล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าเริ่มแยกธาตุแยกขันได้บ้าง แต่ว่าไปยุ่งกับงานทั้งโลกมากงานยุ่งอะคะ่ะก็ปฏิบัติน้อยลงตอนนี้ยังปฏิบัติถูกต้องอยู่หรือเปล่าคะปฏิบัติแล้วก็ถูกแหละไม่ปฏิบัติแล้ผิดมากน <c> ะ <oughs> ค่อยๆฝึกนะให้ดูกายกับใจคนละอันกันความรู้สึกนึกคิดกับใจเป็นคนละอันค่อยๆดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเป็นธรรมชาตินะของคุณที่ถูกมารกลั่นแกล้งเนี่ยขันมันแยกแล้วล่วแลวและแล้วมันเดินวิปัสสนาแล้ว แล้วม่นเห็นขันแสดงใจรักแล้วมันต้องรีบกวางเลยเพราะคนที่เดินมาถึงตรงนี้นั้นมันจะหลุดพ้นจากอำนาจมันมันจะต้องกวางต้องทนนะที่ปฏิบัติอยู่ไม่ยังไม่เห็นประคองมากไปอ๋อประคองไม่ยังไม่เห็นใจรักไม่เห็นเกิดดบถ้าประคองจะไม่เห็นนะถ้าประคองอยู่มันจะสุดโต่ไปข้างอัตะคิรมาตฐานนิยมควบคุมตัวเองตัวรู้มีนะแต่ตัวรู้นี้แข็งไปมีตัวรู้ก็อย่างนี้ จะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้แรงไปต้องเปตัวรู้ที่ธรรมดาธรรมดาดูจิตคนอื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะเนื้อดูได้ลองดูคนนั่งข้างๆเนี่ยอถ้าจิตเหมือนข้าเมื่อไหร่มารจะแกล้งเราบ้าง <c oughs> เราจะได้รู้ว่าโลกนี้มีอะไรที่นึกไม่ถึงการบ้านที่หลวงพ่อให้ไว้ยังใช้ได้อยู่ใช่ปะคะใช้ได้ดีกว่าเก่าแล้วนะใจคลายออกตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหมใจมันคลายกว่าแต่ก่อนนะ อย่างรักษานิดหน่อย ข, ขอบคุณค่ะนามสการค่ะหลวงพ่ อ, อก็พยายามดูกายเป็นวิหารธรรมแล้วก็ดูจิตสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ ส, สังเก ต, นะเกตค่ะเราขันแยกเป็นแล้วละมันไม่ยากค่ะเมื่อประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยค่ะก็เจ อ, เอสิ่งที่มากระทบแรงมากเช่นเหมือนมีคนมาตายในสถานที่เราอย่างนี้ค่ะแล้ว ก็ก็ยังดีนะ<ำ>ดีกว่าเราไปตายสถานที่เขา <laughs> <laughs> มันไม่ดีตรงที่ว่าเราเป็นที่ให้บริการอะค่ะมันไม่ควรมีเสร็จแล้วใจเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มันเกิดไปแล้วไงห้ามมันไม่ได้หรอกมันตายไปแล้วน <laughs> ะห้ามไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไม่นานคนก็ลืมมัน เหมือนกับว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะคะช่วยสิถ้าไม่ช่วยสติแตกไปแล้วนะไม่เห็นเลยว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไรอย่างสู้ไหวนี่แหละธรรมะนะธรรมะเราจะใช้พิสูจน์ตัวเองประเมินผลตัวเองเวลาที่เกิดปัญหาชีวิตถ้าเกิดปัญหาชีวิตแล้วจิตกับอารมณ์ไปรวมกันหมดเลยแสดงว่าไม่เอาไหนเลยตอนนี้จิตกับอารมณ์ยังแยกกันได้อะรู้สึกไหมล่ะเออไม่ธรรมดาหรอกนะถ้าไม่งั้น ดีไม่ดีเราตายตามเขาไปเลยกลุ้มใจนะอย่าไปกังวหลหรอกโทษที่ไหนคนมันก็ตายนะอ๋อนายโทโสนี่เอง <c oughs> กับนวมัสการหลวงพ่อครับอายุ <c oughs> เท่าไหร่ละโทสโนสอครับส <12. S 1> นะิอนะก็เพิ่งมาปฏิบัติจริงๆได้ไม่กี่เดือนนะครับกับพระอาจารย์ อ, อนน์นะครับก็พระอาจารย์ก็สอนให้ดูความคิดดู ใจไหลไปตรงไหนก็ให้รู้อแล้วก็บางทีก็กลับมาบ้างไม่กลับมาบ้างครับไม่ไม่ดึงนะครับเหมือนมาก็รู้มันไม่มาก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นครับดูไปเรื่อยๆดูไปเห็นแม่ไกากระใจเป็นคนราอนดูออกบั่งไหมครับแบบเมื่อวานเนสดๆแล้วร้อนเลยเดินไปข้าห้องน้ำในที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปทําขอบกันน้ํากระชอกเวลาห้องน้ำใช่ครับเพอไว้เตะหน้าเข้ามามันเลยเกือบล้มก็เห็นเลยครับ ความโกรธมันขึ้นยังไงเกิดความนึกคิดก่อนเอตั้งทําไมเนี่ยเอาสงสัยแล้วก็นึกไม่น่าตั้งเลยแล้วก็หงุนหงิด ต, ตั้งทําไมเนี่ยลาคาญอื <laughs> จะคนจะเข้าห้องน้ําอย่างงี้ครับเริ่ม โ, <อ> โ, โหลแล้วแล้วพอเข้าห้องน้ําเสร็จปวดทุกออกมาถึงตายแล้วถ้าเมื่อกี้ตายไปเกิดเป็นจิ้งจกในรูนนี้แน่เลยครับ <laughs> ทำไมจะไปเป็นจิ้งจกอ่ะ <laughs> ถ้าโทษาตายไปต้องไปตกนรกสิครับถ้าตายด้วยโมหะถึงจะไปเป็นเดรัชานครก็ขนลุกสู้เลยครับเออดีครับออกจากห้องน้ําแล้วขนลุกครับที่หรือว่าปวดท้องจากเข้าห้องน้ําแล้วขนลุกฮะออกออกจากออกจากห้องน้ําล้วกลัวไปเป็นจิ้งจกเกิดไปจิ้งจกบดีดีกลัวให้คร้วต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ ดูอย่างที่มันเป็นหน้าฝึกมาขนาดนี้ใช้ได้แล้วล่ะเข้าชาญได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นเลยขาไม่เป็นไม่เป็นอเลยเด็กๆกับความจริงหัดอะไรก็ได้ง่ายนะฝึกไว้ต่อไปจะเข้าวัยรุ่นแล้วนะครับต่อไปอารมณ์ร้อนแรงให้คอยรู้ทันไว้โทสะมันจะแดงกว่าเก่าอีกครับเป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นให้คอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆไว้ ดีโทโสดีค่ัขอบพระคุณครับอาจารย์นี่ยเอาเสื้ออะไรมาให้ใส่ออาหมดแล้วน่ารักดีโทโสก็มีญาติธรรมหลายท่านก็เอาปัจจัยไยธรรมมาร่วมถวายผมก็ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนกล่าวนำนะครับให้ทุกท่านได้ร่วม การถวายพร้อมๆกันนะครับข้าพาเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวา ย, วายเครื่องปัจจัยและทย า, า, ใใายทานและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้นนนนแด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครั ว, รวตราบสิน้นการละนานเทินยาถาวารีวหาปุราปิริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอีโตทินังเปตา น, นนานังอุปกปติอิชิตตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปา จันโธปนรสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุธาปจายโนจ ต, ตาโรโอธมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลังโมทนานะทุกคน